การสั่งสมบาปก็ได้แก่การกระทาความชั่ววันละเล็กวันละน้อยไปนั่นเองแหละแต่ทำไปเรื่อยๆไม่รู้สึกตัวไม่เห็นโทษของบาปกรรมนั้นไม่คิดว่าจะละบาปกรรมนั้นอย่างนี้นะแล้วบาปกรรมนั้นมันรวมกำลังกันเข้า ม, มากๆเข้าไปแล้วมันก็ บ้านี่มันได้ท่องได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลในเวลานั้นบางทีเมื่อบุญเก่าหมดลงแต่ยังไม่ตายเอาบาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลสืบต่อบน้นี้ชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลงเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมความสุขกายสบายใจ โรคภัยเบียดเบียน ร, ร่างกายอย่างรุนแรงมูลนี่อะไรๆก็มีแต่เสื่อมลงไปนั่นแหละกรรมชั่วที่ได้ทำมาติชาติก่อนนั้นมันติดตามมาสนองมาตัดร้อนความสุขความเจริญของชีวิตนี้ให้ย่อยยับลงไปมันมีอยู่คนบางคนในโลกนี้นะอ่าตะเยผลแห่งบาปกรรมนั่นนะ <c oughs> แต่คนผู้ที่ไม่ได้สวยผลแห่งบาป ก, กรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้นึกคิดไม่ได้มาสอนจิตใจของตนเมื่อเห็นว่าคนอื่นเขาเสวยวีบา ก, กรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้น้อมเข้ามาคิดมาตรองในใจเลยถ้าผู้มีสติมีปัญญาบ้าง เห็นเขาได้สเสวยวิบา ก, กรรมแห่งความชั่วอย่างนั้นน่ะก็น้อมเข้ามาสอนตนว่าวิบา ก, กรรมที่เขาได้รับนั้นมันก็ไม่พ้นไปจากการทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนบางทีก็ตัดรอนชีวิตของเขาให้ล้มให้ตายไป บางทีก็ไปเบียดเบียนเอาทรัพสมบัติของผู้อื่นเขามาเป็นของตอนเพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกนี้บางคนมีทรัพย์สมบัติมากมากเขาแล้วก็มีโจรมาปล้นเอาไปจนหมดเกลี้ยงเขามีบางทีก็ไฟไม่เรียบบางทีก็น้ำท่วมเสียหายหมด อ, อย่าใหมูนี่นะ นั่นแหละผลแห่งบาปกรรมที่ทำมานะ่ะมันตามมาทันมันอำนวยผลให้แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่ตื่นตัวกันนะไม่อธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วถ้าผู้ใดตื่นตัวได้เช่นนี้นะ่ะมันก็อธิษฐานใจละเว้นเลยเนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจักไม่ฆ่าสัตว์ในเบียนเบียนสัตว์ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วข้าพเจ้าจักไม่ลักไม่ล่อไม่ช่อไม่โกงไม่จี้ปล้นเอาสมบัติอื่นมาเป็นของตนอต่อไปข้าพเจ้าจักไม่ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นข้าพเจ้าจักไม่เจตนาพูดโกหกหลอกลวง เอาทรัพสมบัติของผืนเอาเปงงน็นของนด้วยวาจาเท็จวาจาไม่จริงข้าพเจ้าจักไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนตลอดถึงบุรีหม่เน่ก็จะงดเว้นถ้าผูใ้ใดมาได้สวยวิบากกรรมที่ตนทรมาแต่ชาติก่อนอย่างว่านั่นแล้ว รู้ตัวแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นเอาเลยในชาตินี้ไม่ทำกรรมชั่วนั้นต่อไปอีกเช่นนี้แล้วกรรมชั่วที่มันให้ผลอยู่นั้นมันก็จะลดย่อนผ่อนผลพนปรนลงไปทำให้หนักกลายเป็นเบาไปก็ได้ เพราะแรงแห่งอธิษฐานว่าด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้กรมให้เวนอันนี้จงบรรเทาวบาบางไปนี่มันอธิษฐานบ่อยๆเข้าไปกรรมเวนนั้นมันก็เบาลงไปได้มันเป็นยางไ น, นแต่ถ้าบุคคลไม่อธิษฐานใจละเวน้นกรมเวนคำชั่วดังกล่าวานั้นแล้ว แมนจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่งั้นแหละเต็มอัล้าทีเดียวดังนั้นขอให้พากันตื่นตัวกันเรื่องกรรมชั่วเนี่ยเพราะอาศัยคนเราทำกรรมชั่วใส่ตัวไว้นี่แหละมันจึงไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ในวัตะสงสารอันนี้ไปได้ ขอให้เข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นนะทำให้คนเราได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกอันเนี้ยบาปกรรมทั้งนั้นเลยนะถ้าส่วนใดเป็นบุญกุศลแล้วมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขเรื่องมันนะในเวลาใดบุญให้ผลอย่างเี้ยมีสุขภาพของร่างกายก็สมบูรณ์กินก็ได้นอนก็รับอ ทำการงานอะไรก็คล่องแคล่วดีอย่างนี้แหละทั้งมีสติมีปัญญาอีกด้วยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําการทํางานอะไรก็ชอบแต่จะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นทํำนาทําสวนทําการค้าการขายทํางานการก่อสร้างอะไรต่ออะไรก็ย่อม ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนั่นเรียกว่าบุญกุศลมันนำนนยผลให้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้ากรงกันข้ามอย่างว่านะถ้าบาปมันให้ผลแล้วทำอะไรลงไปก็มีแต่ความวิบัติมีแต่เรื่องก่อทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่า ที่ที่แสดงว่าถ้าหมดบุญแล้วก็ตายนั่นน่ะทำไมเมื่อหมดบุญแล้วบาปให้ผลถึงไม่ตายอาบาปมันให้ผลน่ะมันยังไม่ให้ตายก่อนหมายความว่าอย่างนั้นบุญนั้นหมดจริงแต่ว่าเมื่อบาปที่ทนทำมามันมาให้ผลสืบต่อมันก็ให้ให้ยังมีชีวิตเป็นไปอยู่แต่มีชีวิตเป็นไปด้วยความยากความลำบากความเดือดร้อน เหมือนอย่างในตำราท่านแสดงไว้นั่นแหะว่าถัดนรกนั่นแหะเมื่อตกนรกไปแล้วมันน้ำร้อนลวกไฟเผามันร้อนมากเจ็บปวดทุกขเวทนามากพอตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกมาเอานายนิยาบาลไปจับทัตลงไปในนรกน้ำร้อนลวกไฟเผาตายลงไปพอตายลงไปแล้วกรรมยังไม่สิ้นพอเกิดขึ้นมาอีก เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกออได้รับทุกข์ทนทรมานตะเกียกตะกาขึ้นจากนรกมาออนาฬิยาบาลจับซัดลงไปอีกอยู่อย่างนั้นได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั่นจะตายไปซะจริงๆริงมันก็ไม่ตายแบบนี้นะเพราะบาปกรรมมันยังไม่หมดออบาปกรรมมันก็ตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่ให้ได้เสวยทุกข์ทนทรมานไป อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ฉันใดคนที่มีบาปกรรมติดตามมาแล้วบุญก็มีอย่างนี้นะบุญมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมาบัดนี้ให้มีความสุขความสบายมาตามกําลังของบุญที่มันนำนวยผลให้นั่นแหละพ อ, อบุญนั้นมันหมดลงบัดนี้บาปมันตามสะกดรอยมานั่นมันก็ให้ผลสืบต่อ ชีวิตของคนเราก็อับเฉาลงไปจะตายก็ไม่ตายได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้มันเห็นประจักษ์กันอยู่ในโลกนี้แหละไม่ใช่พูดถึงในโลกอื่นอะไรหรอก ก, ก็ปรากฏอยู่ในโลกนี้มันมีจริงๆนี่คนเราบางคนก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปโดยลำดับ เช่นเป็นโรคอมพาตอย่างนี้นะมันทรมานขนาดไหนอ่ะเป็นวันนรกหมู่นี้นะเป็นมันเ็งหมู่นี้นะนั่นแหละเดี๋ย ว, วคนในยุคในสมัยเนี้ยบาปกรรมมีมากเกิดมาแล้วบาปกรรมวันนั้นจึงว่ามันสร้างโรคภัยอันร้ายแรงให้เกิดมีขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ย รักษาอย่างไรก็ไม่หายมันจะหายได้ยังไงอะโรค ก, กรรมโรคเวนผู้ใดเห็นเข้าไปแล้วก็วควรที่จะน้อมเข้ามาสอนใจของตนเองสอนใจตนให้รู้ว่าบุคคลผู้ได้รับทุกข์ทนทรมานเช่นนั้นนะก็เพราะโทษที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ เขาได้รับทุกทนทรมานไปจนกลัวจะตายบาป ก, กรรมมันนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นไม่มีหมอยาวิเศษที่ไหนในโลกที่จะมาที่จะมาบำบัดโรค ก, กรรมโรคเวรของบุคคลผู้นั่นได้ ก็ต้องได้สั w e a ทุกชนทรมานไปจนมันหมดเขตของกรรมของเวรอันนั้นลงไปแล้วมันก็ตายกันเท่านั้นแหละตายเสียแล้วจริงแล้วหมายก็าว่าอย่างนั้นแหละกต่มันเป็นอย่างนี้เรื่องบาปเรื่องบุญนี่มันสลับซับซ้อนกันมากมายขอให้ศึกษาพิจารณาเข้าใจ ตามที่แนะนําสั่งสอนมานี่แหละอือันนี้พูดอย่างมีหลักนะไม่ใช่ไม่มีหลักพูดหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอุปปีละ ก, ะกรรมกรกำบีบขั้นนี่อย่างนี้นะมีชื่อของก ร, รมมีทั้งนั้นเลยกำบีบขั้นนี่ท่านอธิบายไว้ว่า มันเป็นได้สองทั้งสองทางนะเอาถ้าหากว่าบุคคลผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีแก่กล้ามาอย่างนี้นะกูได้สร้างบุญกุศลมามากแต่บาปก็ได้ทำมาแต่ทำไม่มากอย่างเงี้ยเอาพอพอบาปกรรมนั้นมันจะให้ผลแก่บุคคลผู้นั้นไป มันให้ผลไปไม่ได้มากเท่าไหร่บุญกุศลที่มีกำลังกล้าขนะัวนั้นมันมาบีบคั้นเอาก ร, รมชั่วที่มีกำลังน้อยขัวนะั่นน่ะให้ระ ง, งับไปเลยอ่านี่เรียกว่ากรรมบีบคั้นนะอาบนี้เมื่อบุคคลใดได้สร้างบาปกรรมมันั้นไว้ในอดีตก็ดีหรือในปัจจุบันนี่ก็ดีมากมายแล้วอย่างนี้ ทำบุญกุศลไว้ไม่มากอย่างพอว่าบุญกุศลนั้ น, น, นมันเริ่มให้ผลมาอย่างนี้นะได้รับความสุขสบายมาเอาบาปกรรมที่มีกําลังเหนือกว่านั้นมันก็มาบีบคั้นเอาบุญกุศลอ น, น, นั้นให้เจริญไปไม่ได้ทําให้บุญกุศลอันมีกําลังน้อยกว่านั้นมันรังงับไป ผู้นันก็ได้สวยทุกแทนความสุขต่อไปนี่เรียกว่า <c oughs> บาป ก, กรรมมันมีอิทธิพลเหนือขวัวบุญมันก็บีบคั้นเอาบุญนั้นให้สลายตัวไปดังที่เราจะเห็นได้บางคนนะเอาทำการค้าการขายอะไรมาลวดเริ่มได้กำไรงามงามมาเริ่ม จะนำครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบด้วยยศไปเอากรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนะมันกลับมาบีบคั้นเอาทำการค้าขายอะไรก็ขาดทุนยุบยับลงไปไอ้ตัวเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยลงอะไรบวก น, นี้นะบางทีก็ทำให้มีพวกโจรมากี้มาปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองไปหมด โมนี่เนี่ยเรียกว่ากรรมบีบคั้นนะขอให้เข้าใจไว้กรรมฝ่ายชั่วมันมาบีบค้ำกำบีบคันกำรรฝ่ายดีให้ย่อยยับลงไปนี่มีอยู่ดาตื่นไม่เฉลยนะั่นนะขอให้พารนาดูถ้าผูใ้ใดใช้วิจารณญาณ พิจารณาอย่างนี้นะมันจะเห็นโทษของความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นนะเมื่อเห็นโทษมาแล้วก็เบื่อเลยอขอมันเบื่อกรรมเบื่อเวรอย่างว่านั่นนะทำบุญกุศลใดลงไปแล้วก็อุดทิศส่วนกุศลให้แก่คู่กรรมคู่เวรต่างๆอขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนเขามาแต่ก่อนนั่นนะ ก็จงได้รับอนุมอตนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้แล้วขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีเว้นต่อกันและกันไปอีกเลยขอให้อโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันไปเสียผู้ดใดเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเว้นนั้นแล้วอธิษฐานใจละเว้นไปพร้อมกับทาบุญกุศลแล้วอุทิศผลแห่งบุญอันนี้ไปให้ แกเจ้ากรรมนายเวรดังกล่ามานั้นเนสมอเสมอไปแล้วอย่างนี้บาปกรรมมนั้นมันก็ค่อยเบาบางลงไปนี่เมื่อเราเข้าใจหลักปฏิบัติอย่างว่านี้นะมาแล้วอันเราจะไปกาหนดใจละเอาดือด้อนีอ่ จะให้บาปกรรมเวรต่างๆที่มันอำนวยผลให้อยู่นั่นมันระ ง, งับไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้ไม่มีทางเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจเสียก่อนแล้วก็สร้างความสัตว์ความจริงใจลงไปว่าต่อ น, นี้ไปแล้ะข้าพเจ้าจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นอีกจนตลอด ทุกชาติทุกพบสอบไปเลยทีเดียวไม่แต่เฉพาะในชาตินี้อย่างนี้นะอธิษฐานใจลงไปให้แน่วแน่อย่างนั้นแล้วก็ด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมที่มันกำลังให้ผลอยู่นี่นะลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกายจากใจของข้าพเจ้านี้ นี่การปฏิบัติอย่างนี้นับว่าดีกว่าที่จะไปขอร้องให้ท่านผู้มีคุณวุฒิต่างๆที่เรานิยมนับถือกันให้ท่านช่วยให้ท่านช่วยแผ่เมตตาจิตอธิษฐานช่วยให้ตนได้ เบาบางจากความทุกข์ทนทรมานเหล่านี้ไปอันนั้นท่านก็ช่วยอยู่หรอกแต่เมื่อตอนเองไม่ช่วยตัวเองอย่างนี้จะให้ผู้อื่นไปช่วยอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้อืมขอให้เข้าใจผู้อื่นช่วยก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยก็เมื่อใจตนเองไม่เบื่อหน่ายต่อบาปต่อกรรมอนนั้นแล้ว เช่นนี้จะให้ผู้อื่นนั้นไปช่วยขับไล่บาปกรรมเวรภัยนั้นออกจา ก, กจิตใจของผู้นั้นอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้อออย่าไปเข้าใจว่าอันมลกลคาถาที่เรียนกันมาหมดนั้นนะ่ะเนื้อกว่ามันจะมาขับไล่เวรภัยบาปกรรมที่มันอํานวยผลอยู่นั้นนะ่ะ ให้หมดไปสิ้นไปจากร่างกายจิตใจของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นไม่มีทางนะถ้าหากว่ากําเวนมาลั ง, งับด้วยเวทมนตลคนาถาแล้วใส่ใครลราจะได้สวยทุกทนทรมานอยู่ในโลกอันนี้เพราะหมอคนหมอหมอนต์มีอยู่ดาดื่นนี้แต่แล้วมันไม่เห็นว่ามัน ปัดเป่าให้ระงับหายไปได้ไม่มีจิงโยบางคราวมันก็ให้ผลได้ไอ้พวกมนกลคกาถาเนี่ยเป่าไปมันก็หายไปอันนั้นไม่ใช่คมเวีนหนหลังอันนั้นนะไม่ใช่กรมเวีนหนหลังตามมาสนองเอาโรคภัยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ตั้งหากบางทีเป่าไปปะเหมาะมันก็หายไปได้เหมือนกันแนี่ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมันถูกต้อง <c oughs> นี่แหละวิธีละบาปหรือว่าละกรรมละเวรต่างๆนะขอให้เข้าใจท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเอาไปคิดไปพิจารณาลงมือปฏิบัติตามทุกคนนะมันต้องมีบาปกรรมนะอยู่ในตัวเนี่ยไม่มากก็น้อยนะอย่าไปเข้าใจว่าไม่มีนะ นั่นแหละผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ไปพระภาวนาเข้าไปยึดเอาคุณพระรัตนไกรแก้วสามประการเป็นที่พึ่งลงไปแนละ้วก็บริกรรมพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าอย่างเดียวะเป็นที่ระลึกอยู่ในใจนะั่นถ้าระลึกไปหลายนะใจสงบลงไม่ได้เอมั่นอยู่ในพุทธโธ พร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นนะ่ะเนี่ยกรร ม, มวิธีละบาปขอให้เข้าใจเพราะว่าบาปนั่นมันฝังอยู่ที่ใจนี่นะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นนะี้บัดนี้เราเบื่อเราเห็นโทษของมันแล้วเอา้าเราจะละมันเราก็พยายามอา้าวทำใจนี้ให้ส ง, งบลงไปเลยบัดนี้เพราะลักษณะของบาปนั้นนะ่ะมันทําใจพุ่งสร้างเลื่อนลอย เดือดร้อนนี่วันนี้เราพยายามละมันบนันนี้พยายามละมันก็กำหนดใจสิวันนี้เพ่งใจเนี่ยให้ส ง, งบลงไปไม่คิดเอามันเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเพ่งความร้อนอันนั้นเข้าไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่อท้อเพ่งเข้าไปอํอนานาจห่งความเพ่งอะ มันก็ทำให้ความร้อนอันนั้นระ ง, งับลงไปได้เหมือนกันนะความร้อนใจนะนั่นแหละเนมื่อความร้อนคือผลแห่งบาปกรรมนั่นมันระ ง, งับลงไปจิตใจมันก็เย็นลงเมื่อใจเย็นลงแล้วมันก็รวมลงได้มันก็หยุดคิดได้มันก็อิ่มเบื่อหน่ายในความคิดฟุ่งส่านต่างๆนาน า, นา ใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะวิธีละบาปให้เข้าใจเมื่อเราทําใจให้สงบระงับไปเรื่อยๆไปบาปกรรมที่มันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มันก็ค่อยถอนอออถอนออกไปในที่สุดบาปกรรมมันก็หมด เ, เมื่อบาปกรรมแล้วมันหมดลงลวใจของเราก็เบิกบานผ่องแผ่หยุด สม่ำเสมอไปตลอดเวลาเลยวะนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรอยู่ในใจใจเบิกบานอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีที่ตนได้บำเพ็ญมาก็รู้แจ้งว่าบาปกรรมมัน ง, งับไปจากกิจของตนแล้วนี่นะใครอยากรู้ว่าตนละ บ, บาปได้ ก็รู้ได้โดยสมาธิวิธีดังกล่าวมานี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปละโดยวิธีอื่นนั้นมันไม่มันไม่ได้ไม่ขาดให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดียังละบาปให้ขาดเด็ดไปไม่ได้เพียงแต่ว่าตทรทอนให้มันเบาบางลงไปเท่านั้นเ วันนี้ตอนที่จะละบาปให้มันขาดออกไปได้นั้นอยู่ที่ภาวนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เพียงแค่สมาธินั้นมันก็ยังถอนรากของบาปออกไปให้หมดสิ้นยังไม่ได้ดอกแต่หากว่ามันระ ง, งับบาปอากุศลส่วนหยบัหยบๆต่างๆหรือส่วนกลางเนี่ยให้ระ ง, งับออกลงไปจากกิตใจได้ แต่บาปส่วนละเอียดยังอยู่เป็นยางน้นดังนั้นต้องภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูจิตใจตัวเองนี่นะให้มันเห็นความเคลื่อนไหวของจิตใจนี่ส่วนละเอียดลงไปนี่นนะให้มันรู้เช่นความยินดียินร้ายอย่างนี้นะ น้อยหนึ่งมันก็มีพิษมันก็เป็นเชื้อของบาปได้เหมือนกันนะมันไปนอย่างนั้นเรื่องมันนะเ้าต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาระงับความยินดียินร้ายแม้น้อยหนึ่งอันนั้นก็อย่าให้มันมีคือหมายความว่าเห็นเขาทำบาปอย่างนี้นไปยินดีกับเขาน้อยหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็มีเชื้ออยู่แล้วเป็นอย่างนั้น ก็เมื่อตอนไปเห็นใครทำอะไรไม่ให้พออกพอใจหน่อยหนึ่งมันก็ยินรายนิดหน่อยขึ้นมาอย่างนี้นะมันเกิดไม่พอใจขึ้นมามันก็เป็นเชื้อของบาปนะอันนั้นแ่ะกิเลสส่วนละเอียดให้พึ่งพากันสันนิฐานดูให้ดีพอมีสติระลึกได้อันนี้ก็ รู้ได้เออนี่กิเลสส่วนนี้มันยังมีแต่มันละเอียดมากอย่างนี้นะก็กาหนดละทันทีเลยอย่าให้ความยินดี น, นั้นมันลุกลามไปนะอย่าให้ความยินร้าย น, นั้นลุกลามไปนะ <c oughs> ให้จิตนี่มันเป็นอุเบกขาพร้อมด้วยงานความรู้อยู่ในใจนั่นนะงอืมงานความรู้อันนี้แหละ รักษาจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่ได้เพราะว่างานความรู้อันนี้มันมันเป็นความรู้ยิ่งอเมื่อเวลามีอารมณ์ดีอารมณ์มชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาเนี่ยมันรู้ทันเลยมันไม่ยึดไม่ถือแล้วอารมณ์เหล่านะั้นมันก็ดับไปดับไปอืม <c oughs> จิตก็เป็นอุเบกขาอยู่ได้อุเบกขาเวทนานั่นมันยังเจืออยู่ด้วยกิเลส อุเบกขาในวิปัสสนาญาณนี่มันไม่ได้เจออยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างว่านั้นนะให้เข้าใจวิปัสสนาปัญญามันฟอกจิตใจอันนี้สอนใจอันนี้ให้ละความยินดีละความยินร้ายเสมอเสมอไปนี่แหละจิตนี้จึงเป็นอุเบกขาสม่ำเสมออยู่ได้ ขอให้พากันเข้าใจนี่พูดถึงการเจริญวิปัสนาและอวตารนี้นะขึ้นสู่ทางวิปัสนามันต้องให้เข้าใจไว้แม้ว่าเรายังจะทําจิตใจไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามแต่ว่าเราให้เข้าใจอ่วิธีปฏิบัติวิธีฝึกจิตใจ น, นี่ไว้ เผื่อว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปจิตใจมันเลื่อนขั้นขึ้นไปแล้วมันก็จะได้อาศัยความรู้เหล่านี้แหละกำหนดละกิเลสส่วนละเอียดนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากดวงคิดนี้ <c oughs> ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วอยู่บ่อยๆว่าในฐานะที่ เรายังอินทรียังอ่อนอยู่อินทรีย์บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะเราจะบำเพ็ญเพียรไปแล้วจะไปละกิเลสให้หมดสิ้นไปง่ายๆไปไวๆอย่างนี้อะ่ะมันไม่ได้นี่ขอให้พากันเข้าใจอันอินทรีย์บารมีนี่นะมันจะแก่กล้าได้ก็เพราะการกระทานี่แหละเมื่อเราทำไปบ่อยๆ ทำไปไม่หยุดไม่ยั้งอย่างนี้นะมันก็ค่อยแก่ไปแก่ไปโดยลาดับมันเป็นอย่างนั้นเมื่ออินทร์บารมีนี่มันแก่กล้าไปเท่าใดมันก็กำจัดกิเลสออกจากดวงกิจนี่ให้เบาออกไปเรื่อยๆ อ, อืามันเป็นอย่างนั้นแตทีนี้เมื่ออินทร์บารมีนี่มันเต็มรอบไปเมื่อใดแล้วมันก็ตัดกิเลสขาดจากขันธ์ทันา น, นี่ไปได้ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมา น, น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้สดะบัตับฟังธรรมบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี่โดยสรุปใจความแล้วว่าคนเรานั้ น, นอาศัยความเกียดคร้านเป็นอยู่เนี่ยย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลัง อันบุคคลที่ได้ประสบความทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสันนิวาตอันนี้พ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะความเกียดคร้านทำการงานทั้งทางโลกและทางธรรมดังบรรยายให้ฟังมานั่นแหละอันนี้ตรงกันข้ามท่านผู้ใดเป็นผู้เจริญด้วยโพคะสมบัติราบยศสรรเสริญตลอดเจริญด้วยบุญด้วยกุศล ตลอดถึงมัตถถึงผลนิพพานก็เพราะอาศัยท่านผู้นั้นเป็นบัณฑิตนักปราดเป็นผู้ชราดในหนทางออกจากทุกข์แล้วมันขยันภาคเพียพรพยายามดำเนินตามทางที่ถูกต้องนั้นและเช่นี้ท่านเหล่านั้นก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญา ดังบัลยายมา